การฟังธรรมะทุกท่านเสดงปรักันมาธรรมะ้ังใจโนอกตาโยนใจควเมคิดโยนใจแนวใหม่ค็ดแนเก่าการเปลี่ยม่ทั้งเปียทั้งเก่าไม่ได้เลียนทั้งใหม่คดใจคิกโล เคยลืมหลงเด่ตเป็นของเก่าไม่ของใหม่มาจาี่ไหมลืมหลงกันรเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมทั้งเทีพระพุทธเจ้ายงไเกิดก็มีอยู่อย่างนั้นคนที่เิดเพลินหลงไหลเบนรเสียงหล่นี้ ก็เคยมีแต่ไหนแต่ไรมาที่ไปจายมาจากจะรู้ก็ต่จะรู้ของเพียงคือสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่สรรหามาจากที่อื่นที่ใดมาจากจะรู้เพราะการที่เราที่เจมาหาเรื่องที่จะแกไขใจที่คล่องติดในสิ่งต่างๆโดยอุบายปัญญาของพระองค์ รู้เมื่อหาไปตามเป็นจริงในจิตนั้นจิตใจหายหลงหลงก็ได้เชื่อแต่รู้เจอไหมใช่รู้ธรรมดาอย่างพวกเราท่านรู้กันรู้อยู่แต่หลงอยู่รู้แบบนี้ใช่ในด้ทั้งความรู้จากสัญญาหรือทางพุทธศาสนารู้ที่พระพุทธเจ้ารู้่รือแบบหลงหลงรู้จริง ควารู้ความรู้ที่เคยรู้ดูก็มีอีกเข้าใจอีกตัวของฝูกที่เจรนาตัวของผิ้ทีกบังคับปฏิบัติเข้าใจในตัวของท่านเองจากความรู้เก่าก่อนที่เคยรู้มาจากความรู้ที่เราเข้าใจเราปฏิบัติได้มันผิกแตกต่างกันจึงรับรองความรู้ ของท่านว่าไม่มีอะไรที่ประสมประสานกับเรื่องการ ง, งานที่ขาดทันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์จุดของเป็นความรู้ที่ไม่เชื่อสมมุติเหมือนแต่เก่าก่อนเป็นเชิงรับรองตัวของท่านเองว่าท่านบริสุทธิ์แต่ที่จะไปถึงจุดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอาศัยการกประพฤติปฏิบัติที่นิสัยน่า ไปตั้งแต่ระยะบืต้นเหมือนกันกับบันไดไม่ใช่ว่าจะขึ้นขั้นสูงแล้วก็จะก้าวขึ้นสู่บ้านขั้นต่ำในตรงเกี่ยวขอ้องไม่เป็นอย่างนั้นบันไดจำเป็นทุกขั้นที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่บ้านของเรานั้นใดการที่เจนนาแก้ไขตัวของตัวเองกับฉันนั้นคือเรายังความผิด ในเรื่องอะไรเราจะต้องพิจารณาอันนั้น <c oughs> ให้จิตรู้เห็นมาจากชัดเจนในสิ่งเหล่า น, นั้นตามเป็นจริงจิตจะคอยก้าวขึ้นไปสู่ขั้นใหม่เช่นรู้เหีย ง, งต่างๆายส่งจิตของเราไป ย, ยินดีจุดข้องพอใจ เราก็ต้องพิจารณาเพื่อแกไขาความผุดข้ อ, ของท้องใจในรูปในเสียงทำให้เราเป็นสึกหรือเป็นทุกรูปเสียงนั้นเขาเข้าใจไหมว่าเราไปเกี่ยกย่องกับเขาหรือหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไปอย่างนั้นนี่เป็นอุบายของแต่ละท่านที่จะที่นีพิจารณาสพ่อแก้ความผุดข้ อ, ของท้องใจแต่นั้นการ จากความผิดคล่องท้องใจการพิจารณาหลุดเขียงหรือกายเวชนะจเป็นเรื่องของสําคัญถึงจะมองข้ามาไม่ได้จะไปพิจารณาโดยแต่เพีจิตทายเดียวพิจารณาไม่ได้เพร า, า, าะมันยังไม่เข้าถึงจิตถึงจะพิจารณาอย่างนั้นต้องพิจารณาทางนอกเข้าไปก่อนเหมือนกันต่อ่ า, า้า เราใจจะเอาแต่เนื้อในมันถ่ายเดียวไหมทากะลาไม่ทามําปลือกทางนอกออกก่อนเพราเปลือกมันหุ้มกลาอยู่กะลามันก็หุ้มเนื้อเนอมันอยู่ดังนั้นต้องทําลางเปลือกกลามันเยอะก่อนเึื่อจะไปพบเนื้อน้ําภายในตรงมันการพี่เจนารู้เสียงกับสมองเดียวกันเพราะจิต ข, ของเราเคจิตข้อง เคยชอบคอเคยยินดีในเรื่องเหล่านี้เราจึงยกขึ้นมาที่นิ้พเนาเรื่องของความยินดีในกายว่เยื้องวาชายว่าสวยวงามต่างๆด้วยอุบายปัญญาโดยทางธรรมะคือความจริงไม่ดพี่เจนาไปแบบสมเดาไม่ดี่เจนาเอาเลยอำนาจของตัหา ทีเรนาถามเรื na, tam, an, a, m ốt, m n n ่องความจริงของมันว่าเรื่ท่าเรื่องขันที่เราสมมติมันหมายว่ายิงว่าชายนั้นมีหญิงมีชายแน่นอนหรือไม่ที่เรนาดูทั่วไปถามอะไรทั้งหมดในเมื่อในตัวกรณีมีหญิงที่ไหนมีชายที่ไหนแล้วเราคิดเข้าใจว่า สวยวังงามอย่างนั้นอย่าง er นี้มันสวยวงามยิงจังหรือไม่ที่ทายออกเหมือนกันจ้องแต่หนังเข้าไปหาเนื้อเส้นเอ็นกระดูกต่างๆตลอดถึงตับไตไตทิ้งภายในมีอะไรทีสวยงามของเหล่านี้ถ้าหาแยกกันออกในรวมกันไว้จะเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อเป็น เป็นเอ็ก็ดีหรือเป็นกระดูกก็ดีเป็นของสวยงามหรือของเป็นของประจีปีนู่เป็นเรื่องทุกคนจะคนคิดคิดไม่คิดจะอะไระแก่ใจที่เคยจิตข้องกันหนักยินดีต่างๆทาหากเราที่เจนนาทำนองนี้จิตใจจะเกิดความรู้ความเห็นจิตใจจะสงบเย็นเพราะความในหลุงไปตาม เรื่องสมมุติต่างๆคือจิบเคยเฝ้าคิดเฝ้านอนอยู่เพราะไม่ได้เชื่อนาดูจิตใจจึงหลงๆอย่างนั้นสมมุติเอาเขาใจไปตามโลกเขาความเชื่อหลังกายของหญิงชายหนังที่ห็มอยู่ก็เหมือนใบตอนหรือกระดาษห่อของปฏิจุนแต่ถึงกค่นั้นก็ยังซึมซาบออกมา หากระดาษหรือใบตองให้เน่าให้เหน้นไปด้วยคิดดูมนุษย์เราทุกคนทั้งทั้งทีนั้งหุ่นอู่ผ้าผ่อนทันสบายหงอหุ่นอยู่ก็ยังมีความสกล่โผลออกมาหาผ้าที่สะอาดให้เน่าให้เหม้นทำไงรักไมก่อเนี่ยจะแสดงวัดทั้งตัว เป็นของประกอบตีนไม่ใช่ของสวยงามอะไรที่จะไปจิตใจลุ่มหลงนำมกอนำลายตกตกตกเสื่อผ้าหรที่นั่งที่นอนเราก็เราเกลียดไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นสุขของสุขสแต่มันออกไปจากที่ไหนไม่ใช่ออกไปจากกายอันนี้หรือทำไมจึงไปหลงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ เมื่อเคลื่อนที่มันไหลออกแล้วก็เห็นมีอะไรของ้อมหัวส่วนดมมันจะมีอะไรภายในเนื้อในตัวของเราเราจะเป็นแมลงหรือแมลงวันชอบของเน่าของเหม็นอย่างนั้นสมควรหรือจิตใจของเราจิตในเชื่อกเป็นผู้ฉลาดเป็นมนุษย์หาอุบายปัญญาที่เจรณาแนะสอนตัว นี่คือทางปฏิบัติเพื่อกาจัดความหลุนหลงความออจิมตขลอ ง, งค้ อ, องใจการปฏิบัติมืจุดยังอยากยังจิตคล่องคลองอยากเราต้องพิจารณาเรื่องอยากเมื่อมันหมดจากเรื่องอยากไปจิต ใ, ในส่วนในวนดเราเก็จะฟ้องพิจารณาส่วนนั้นพอมันหมดไปได้มันเบื่อไปได้เรื่องให้รู้ คั้งคั้งสิเคยจิดเคยคล้องเคยชอบเคยยินดีแต่เมื่อพิ่เจนาหายจีบรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงแล้วแต่ใสหัวมันใสมากกว่าทไมยอมพี่เจนาเพราจะพิจารณาอะไรรูปกว่าซาเจวรูปเท่านั้นมันไม่มีอะไรจีบไอ้ของสําคัญเราเดี๋ยช่พิ่เจนามาสมบูรณ์เพียงพอแล้วรูปไม่มีความหมาย เกิดขึ้นแปลปวนและแตกสลายตามหน้าที่ของมันไม่มีใครที่จะบังคับบัญชามันได้มันเป็นไปตามธรรมดาของมันอย่างนั้นจะพามันทำดีทำชั่วมันกว่าทำได้ตามหน้าที่ของจิตที่จะเป็นผู้แนะนเป็นผู้บังคับบัญรชาให้มันทำรูปมันทำไปได้ในเมื่อยังไน่ถึงการถึงสมัยยังไม่มีอะไรขัดข้อง โรคไข้ไข้เก็ดในเบียดเบียนเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้แต่เมื่อโรคไข้ไข้เกล็บเบียดเบียนมันก็อี่ะมันรับมันไม่ได้เพราะรูปมันเป็นอานิจจังรูปมันเป็นอนัตตาเมื่อจิตเราเข้าใจอย่างนั้นการที่จะหลงในรูปมันหมดไปเพราะเคยพิเพนาแน่นอนแล้ว เข้าใแล้วว่าลูปทุกลูกจะเป็นรูปหนุ่มลูกสาวหรือหญิงลูกชายมันเหมือนกันหมดมันเนก่อนอสุภาอสุพังธาหักสุดงความหล่อเชื่งวยงามมันมีอะไรสวยงามเอาเลยธาหาพสุดจเรื่องอันนี้จังเมื่อก่อนนี้จังเหมือนกันถาหักดจึงเรื่องอนัตตาเมื่อก่อนอนัตตาเหมือนกันแล้วรูปอันนี้ไม่มีทางที่จะไปสู่ความบริสุทธ อยู่มุดมีพานได้จึงไม่มีทางสงสายที่จะติดข้องในรูกที่จะแก้ไขรูปเรื่องใจเท่านั้นที่เป็มันไไน่นเปหมายไหวยิงไหวทร า, ายไหวสวยว่างามไหวดีไหวชั่วต่างๆนี่คือมันพอเรื่องของรูปมันจะต้องเข้าไปเรื่องของใจของนามภายในมันมีบรรพอเมื่อบันพอแล้วถึง สิ่งนั้นจะมีดาดเดืนอยู่มันก็มต้อการเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงอาหารก็ยังเหลือเต็มถั่วเต็มซามอยู่ก่อาตามถ้าอิ่มแล้วมันไม่ทานอีกเพอมันอิ่มฉันใดใจที่พิยนารูกกดทำนองเดียวกันก่อนมันจะอิ่มมันจะต้องรู้ในตัวของมันมในใจว่ารูปไม่เป็นเรื่องของสาคัญอะไร ในตอนพิจารณามันสาคัญแต่จะเลื่องท้องใจเท่านั้นก็เราจะไม่เห็นเหลื่องท้องใจเรายังสงสัยจิดขล่องในเรื่องที่อื่นวางอะไรสคัญทําไมไปชอบไปติดไปคิดไปฟื้นมันต้องสาคัญมันจึงไปคิดไปฟื้นไปชอบไปติดเมื่อเป็นอย่างนั้นจินจําเป็นที่จะต้องทคิดีนพิจารณาเรื่องที่อก่นให้พอแต่จะพิจารณาให้เข้าใจ ก็พออาศัยจิตของเราสงบจิตของเราตั้งมั่นในใจที่เจน่ะสูนเดาเอาแล้วจะให้มันเข้าถึงจิตวิจิณเห็นจิงได้ดันั้นทางศาสนาจันย์งสอนสมาธิเป็นข้อหนึ่งในเรื่อของสิบขาสามศีมสมาธิปัญญานี่คือสิบขาสี่ ทุกคนนับถือพระพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาศีลถ้ า, าจะพูดถึงความจริขงขางศีลก็คือเรื่องของจิตเรื่องกายวาจาต้องรวมรักษาให้เรียบร้อย เ, อเรียกว่าศีลใครอากเพิ่มเพิมไหมต้องรวมระวังกายวาจานอกจากใจเหมือนเก่กาไว้ว่าเจตนาหางังที่จารณ์สีลังวัดดานี้ เหตนาความโงดเว้นทางใจเป็นเรื่องของศีลศีลมันมีตัวเดียวเท่านั้นคือใจใใจระวังสังวรใจหน่อยบังคับบัญชาให้ทําให้พูกมันทํามันพูกไม่เป็นเรื่องของกายแต่ที่ทำเป็นก็เพราะขาดสติใจมันด่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้คิดบวกลบว่ามันได้มันเสียอย่างไรมันเป็นไปเถอะดูด้วยชั่วเราไม่หยุดบวกลบกันดู ยินดีทำเชื่อผู้เชื่อไปต่างๆหากเราบวกลบกันดูเห็นว่าการทําการถูมันผิดมันเป็นทางเสียหายคนอื่นเขามาทําต่อเราอย่างนั้นเราจะมีทางเสียใจไม่พอใจเขาบอกผิดอย่างนั้นเราจะต้องไม่พอใจนี่เรื่องของศีลคือท่านบัญญัติเอาไว้ I, ก็เป็นโทษในสิที่ในรักษา เกิดความเสียหายในดีขึ้นถ้าหากทำไปามากๆให้เขาเจ็บใจหรือยเฉียวไปามากๆให้เขาเจ็บใจหนักก็อาจจะถูกฆ่าถูกยิงตายในระยะเวลาไม่นานเพราะเหตุที่เราทาเราเูดกับเขาในทางถือเฉีวผิ่เสียเมื่อเราต้องรมวมระวงังกายของเราวายชาของเราเดี๋ยกเจตนาจน์จบเ ช่วยเสียต่างๆพอเราไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันกันกบเราเราก็ยินดีรักษาจะทำํำจะพูดที่นี้ทีจะรณาทางสือทางเสียต่างๆหากมันจนไปเสื่อทางเสียหายก็หมดทําม่พูดแต่เือรักษาศีลไม่ใช่ว่าทํำแต่สําหรับบุคคลตลอดทั้งสัตว์ ชีวิตเขาก็รักษาชีวิตของเขาส่งว น, นชีวิตของเขาไม่อยากให้ใครแตะต้องไม่ให้อยากให้ใครฆ่าเขาเราคิดดูสัตว์เละกัตน้อยเราจะไปฆ่าไปตีมันยังตัวเพราะมันรักษาชีวิตของมันมันไม่อยากตายควรที่ฝ่าฝืนทําไปอย่างนั้นจริงด้วยเเบียดเบียนเขาในเส้นทางที่จะนําความสุข คามสบายมาให้ทั้งทั้งทเราทําไปเราก็ตําหนิตัวของเราไเหลี่ยงซั้งวอนรักษาทันทีให้ระวังเวตนาของใจเป็นเรื่องของศีลมนใจเรื่องของกายแต่ผิมาในด่านธรรมะพิฐานคือเรื่องของใจต่างใจรักษาต่างใจระวังซั้งวอนไปทาชั่วทําเสีย ถึงจะรับจากพระหรือม่รับจากพระก็ตามเจรินาจะงดเว้นอย่างนั้นมันก็เป็นศีลสมบูรณ์ในคนคนนั้นทั้งเสือรับดูจากพระยังไงจบคำแต่เทวาเจตนาคงใจที่จะรักษาไม่ทำเชือดขดเชืออย่างนั้นไม่มีแต่ถึงเวลารับกลรับกันไปเห็นคนรับกล ร, รับตามเขา อย่างนั้นจะรับวันอย่างข้มมข า, ข า, า, า, นานมมันก็เป็นศีลให้เพราะเจตนาของใจ่งนี้แต่เจตนามีศีลก็ไม่รับมันก็เป็นศีลอยู่วันอย่างข้ามฉะนั้นศีลก็เป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของอื่นเพรากายวาจาเป็นเสื่อมช้ชาของใจเท่านั้นเมื่อเรารักษาศีลของเราปลอดภัย นในหาใจไปคิดไปพูดไปทำในสิ่งเหล่านั้นสิ่งของเราก็สมบูรณ์โดยปกติเวลาเราอยู่กับที่เราสะดับตับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากายปกติไม่มีอะไรที่จะไปทำชั่วทำเสียวายา ก, ก็เงียบสิ่งของเราบริสุทธิ์จิตตั้งมั่น เพ่าจะฟังเหตุผลที่ท่านแสดงไปมีชั่วผิดถูกอย่างไรจะกำหนดพิจารณาตามคือผูฟังแบบนั้นตั้งใจแบบนั้นท่านเดชเลสมรผลในสมัยพุท ธ, ธกาลเพราะไม่ได้ฟังแต่เชื่อหืฟังเข้าไปเึ่ใจหื้ก็นมีอยู่แล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของใจอยากจะรู้เหตุผลจริงจัง พระอบอยู่แล้วอย่างปัญจวาวชีหรือกระดินฟังเทศจากพระพุทธเจ้าท่านเดนือนสำเร็จนักแลในจิ่เฉพาะหน้าของพระองค์ประราะในรทรงจิตทรงใจสายไปที่อื่นที่เจอหาเหตุผลที่ท่านแสดงไปทั้าๆ ท, ที่ตอบคำถามของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างในอนัตตะรัก <c oughs> เป็นทุกข์หรเป็นสุขแต่ยังตาว่าเป็นทุกข์เขี่ยงหรือในเขี่ยงแต่ว่าในเขี่ยงควรยึดถือหรือไม่ไม่ควรยึดถือน่คําตอบยังตอบกันอยู่แต่เท่ว่าจิตของท่านเห็นรู้เป็นอย่างนั้นไม่เคยตอบแต่เคยเขี่ยงหาดเอาสิ่งเดาเอาเข้าใจจริงจังพอฟังเสร็จรแสดงเสร็จจิตก็ฝนใจากขี้เหล็ เหตุเลยสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าสอนเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราท่านฟังไม่เคยฟังแบบนั้นระยะฟังกว่าถึงระยะเวลาที่กำหนดหมายให้ฟังก็ฟังกันไปไม่ทราบว่าจะเอาอะไรจากการฟังของตัวท่านเฉยๆฟังอยู่กับคิดเกิดเพลินไปนเนื้ออื่นเรื่องอื่นท่านเฉยไม่พูดไม่ทํา แต่จิตมันคิดจิตมาอยู่ในวงของอัตของธรรมถ้าจิต อ, อยู่ในวงของอัตของธรรมก็ย่อมดได้รับประโยชน์จากการฟังและอีกอย่างก็คือผู้สแสดงถ้าผู้สแสดงไม่รู้ไม่มมมมเมมมข้าใจเรื่องของอัตของธรรมผู้ฟังจะฟังไม่ถึงจิตถึงใจไล่จีรีตัญหาก็ละได้ยากอีกเพราะผู้แสดงแสดงเข้าไม่ถึง เี่พระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมโปรดใครท่านมีพยานภายในทราบได้ว่าคนกลุ่มนี้หรือพวกนี้จะแสดงธรรมบทใดเขาจึงจะเต็มใจศรัทธาในการสดับรับฟังแล้วจะเกิดผลประโยชน์จากการสดับเัาฟังของเขาพระพุทธเจ้าท่านมีตายานอย่างนั้นท่านแสดงที่ไหนจึงไม่ผิดหวังเพราะท่านเขีนแล้วว่าคนประเภทนี้ โรคกระเพื่นี้จะต้องวางยากระเพื่นั้นใส่ลงไปโร ค, โรคส่วนนี้จะต้องหายอย่างแน่นอนเหมือกนกันกับนายแทยที่ฉลาดรู้จักสมุฐานของโรคแล้วก็หายยาที่ถูกต้องกับโรคเหล น, นั้นมาให้ทานมาให้ทานโรคที่มันมีอยู่ก็าหายไปแล้วก็ได้เจ้าสิ แสดงธรรมทันเนแบบนั้น <c oughs> คือฟังจึงใดนังเร็จมากฝนในสมัยที่พระการเราท่านที่มา ป, ปฏิบัติหนึ่งหน้ามึงตา <c oughs> ศึกษาหลักธรรมะกะพ ừng, ็พึงคิดวิจัยนาทำสอนของพระพุทธเจ้าว่าฉัานฉลาดแหลมคมขนาดไหนที่นำธรรมะมาสอน สัตวโลกจะรู้เห็นตามเป็นจริงได้ถ้าท่นาทนโง่ท่านคล่องท่านติดเหมือนมนุษย์ธรรมดาท่ากม็มีธรรมะเลื่อนไปเสษอย่างนั้นมาแนี่สอนมีท่านรู้ท่านเข้าใจในธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเคยปฏิบัติผ่านมาเคยพิจารณารอบเข้าใจ ในอาจทำถั่วไปไม่มีอะไรที่จะข้องจิตในจิตใจสงสัยว่าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีในพระไทยทั้งท่านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างตัดออกไปจะเป็นของจริงในมีของปลอมเพราะจิตของท่านจริงจิตของท่านไม่ปลอมไม่แสดงเพราะเห็นแก่ลาบแก่หน้าแก่ตาของคนไม่แสดงเพราะความกลัว ในี้อัตติแสดงผู้ความรักจะแส ด, ดงผู้ความหลงจะแสดงความจริงเนอย่างไรแสดงไปอย่างนั้นทํำจนเป็นเรื่องกระทบกับบุคคลเพราะคนมีกิเลสถ้าแสดงไปตามกิเลสของคนคนเพลิดเพลินสร่ า, er er er สางลับลืมหลงในหงงงาวหาวนอน เหนื ngày nerd, ngày nerd, ngày nerd. 네่ยเหนื huh. Hello, mal, ่อยเข้าใจมันชอบแต่การทังทำคนมักบ่นว่าห่วงเหงาเห้านอนเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยหิวต่างๆเพราะทำที่แสดงไปมันเลยเข้าไปสัมผัสกับจิตใจของเขามันไปคนละเรื่องแล้วมุมกับความทีดเขชอบเพราะติดถ้าไปแสดงตามเรื่องของเขาแสดงตามเรื่องของเลา มันก็หนเป็นธรรมแสดงตามเรื่องของธรรมมันก็ผิดกิเลสดังนั้นคนที่ง่วงเหงาหานอนคนที่เหนื่อยเมือเม่อยหิวฟังธรรแล้วไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนั่นคือคนไม่มีจิตสัมผัสกับธรรมไม่รับธรรมถ้าเป็นคนไข้ก็ไม่มีเวลาที่จะเหี่ยวหายมีแต่ทางจะตายถ่ายเดียวเท่านั้นจิตใจจิตเป็นอย่างนั้นจึงควรแก้ไขจิตใจของตน การสร้างธรรมเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับสาวกนอกจากพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกับุท t ะเท่านั้นถึงจะมีปัญญาแหลมคมขนาดไหนหรู้ฉลาดขนาดไหนถ้าหากใ น, นสร้งธรรมจากถูก็ไม่มีทางที่จะเข้าจิตเข้าใจไม่มีทางที่จะลากอนได้เกิดกิเลสตัญหา บรรดาสาวกทั่วไปเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างพระสารีบุตรฉลาดมากนอกจากพระพุทธเจ้า ม, มีใครที่จะเชื่อมถึงแต่ถึงกันนั้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอาจทำด้วยตัวเองหรือรู้ให้เข้าใจนอกจากจะกดับจากคนอื่นแล้วจับทำนั้นมากําหนดที่นม่พิจารณาอย่างกันกดับในข่าวเป็นเรียกไฮ จาการะสิเสียงสระพันธุ์มาทำถี่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนว่าทมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุต่ดับก็เพราะเหตุพระพุทธเจ้ามีการสอนอย่างนี้เราเนี่ยในบวชมานานแล้วยังเฉยคนสปเลีายตลาดอะไราระสิ ท่า น, านั้งเป็นอรหันต์ท่านก็ถอมตัวขนาดนั้นท่านสอนเพียงแค่นั้นเน่ยว่าท่านทั้งหลายเกิดมาจากเหตุระดับก็เพรเหตุภาษาเรีุตรคือมพิจารณเข้าใจล ะ, านะละเรื่องคิดถี่มานะละเรื่องความข้องจิตในจิตในใจได้ดวงตาเห็นธรรมคือสอําเร็จเป็นพระโสดาบันในขณะที่ฟังอาจชี้แสดงธรรมเพียงแค่นั้นเหตุคืออะไร ดับเหตุคืออะไรอะไรเป็นเหตุจะดับเพราะเหตุดับอย่างไรนั่นเป็นสุดสําคัญคือท่านคือนิติเจนะมันต้องมีเหตุยก่อนมันจึงเกิดผลทุกสิ่งทุกอย่างไปเหตุก็คือเรื่องของใจกายจะทําวาจาจะพูดก็เรื่องของใจ เป็นสำคัญใจนั้นรักก็ได้รังก็ได้แล้วแต่เรื่องของใจคือจะคิดตรงไปการพิจเจนาะเรื่องเหตุคือเรื่องหัวใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านคว ม, มองข้ามควรจะที่นี้ที่จนะใจที่เราล่มหลงต่างๆ ไม่ใช่วัตถุที่เราลุ่มหลงเป็นผู้ก่ อ, อคกรให้เกิดขึ้นเป็นเรื่งองของใจใจที่ขาดเหตุขาดผลใจที่ไม่มีความรู้ดีวิเศษมันจึงเกิ ด, เ ห, ดเหลือกลุ่มหลงเพลิดเพลินหาหัสดับเรื่องของใจได้ใจรู้ใจเึงเดินชัดความรู้ความคิดความถิดความคล้องเหล่านั้นมันดับไปเอง เพราะเหตุมันดับเสื่อใจมันในจิตในครอบใจมันในเปล่งในแต่งในส่วนผิดชื่อผิ่เสียหนูเชื่อเหตุเกิดมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเพราะท่านพแจมรณาตามได้ความรู้ความเข้าใจถึงจิตถึงใจยืงจังพวกเราพูด คือใจมันเป็นอย่างนั้นมันก็พูดได้แต่ใจมันเป็นไปอีกอย่างหนึ่งฟังก็ฟังได้เสียงที่พูดแต่ใจมันก็ไม่รู้ไม่เห็นเป็นจริงอย่างนั้นมันจึงสำคัญเรื่องของใจต้องประพฤติปฏิบัติต้องเข้าใจโดยตัวของตัวเองไม่ใช่เมื่งฟังแล้วใจม่เป็นไปก็ว่าได้ยินแล้วทำแล้วเพีแค่นั้น มันสอนกันง่ายเรียนง่ายแต่การปฏิบัติจะให้มันจริงมันเห็นอย่างนั้นภายในจริงจังมันเป็นของสําคัญถ้าใครเห็นใครใส่ใจอย่างนั้นมันไม่มีวันที่จะลุ่มจะหลงจะมัวจะเมาเรื่องของโลกเนอย่างไรในธรรมะท่านเคยสอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมเคยอ่านเคยฟังกันมาแต่จิตใจทั้งพวกเรา ยังลื่มยังหลงคือมันเหนื่ยแล้วฟังแล้วแต่มันเหนื่อยแล้วในใจได้ยินแล้วแต่มันเหน่อยแล้วให้ใจมันยังลื่มยังหลงยังคิดยังข้องยังเป็นการที่เราเองจะสอนตัวของเราเองที่ไม่ที่เจนะด้วยตัวของเราเองอีกจนเข้าใจไปจากว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือสิ่งที่เราได้ฟังมานั้นมันเป็นความจริงขนาดไหนใจรู้ใจเห็น หายจิตหายขอ้อหนึ่งคือแล้วคือไม่มีการพิจารณาอีกไม่มีการละอีกเข้าใจจริงๆเข้าไปถึงใจทางรู้ทางเห็นภายในของปู่ความรู้ของพระพุทศาสนารู้เข้าไปภายในอย่างนั้นใจถือเคยดื้อดึงทางหักแต่ที่เจรนะทาทำเห็นทำเข้าใจทำจะหายพยศหายดื้อดึง ก็เคยมีสาวกหลายท่านหลายองค์ที่เป็นจอมโจรมา ก, ก็ามีเคยขาเคยตีประหัตประหารแต่เพราจิตใจเข้าไปถชง่อทำมันละหมดถอนหมดเรื่องเฉวเสียต่างๆนี่คือความเห็นธรรมรู้ธรรมภายในใจถ้าเที่ยงใจจำมารู้แต่ภายนอกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจริงไหนแล้วไว้ถั่วสักที ทั้งทั้งท th ีด้ยินได้ฟังมาแต่จิตก็ยังเพ่งยังคิดทั้งทั้งที่ถึงสอนว่าเป็นอสุยภะอสุยภางเป็นของม่สวยงามงามไม่เป็นของยั่งยั่งยืนเป็นของเกิดทุกข์เป็นของบังคับบัญชาไม่ได้แต่มันก็ยังคิดข้องกอบป่วยเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจหนูคือใจยังไม่เห็นยังไม่เป็นภายในยึงศึกษาเรื่องของใจปฏิบัติเรื่องของใจให้มันเกิด เรื่องภายในเหมันเห็นเรื่องภายในประจาักในตัวเองเรื่องต่างๆมันจะตกจะหล่นออกไปเพราะใจเห็นใจรู้ไม่มีอะไรที่จะหลอกเรื่องของใจเท่ากับใจตัวเองคนภายนอกคือเขาจะหลอกให้หลมให้หลงน้อยแต่จใจของตัวเองหลอกตัวเองหลอกมาก บางที่เคยเบื่อกับชอบกับติดิ่งที่เคยชอบเคยติดกับเบื่อมันหลอกมาสิ่งทีเคยไหวสุกกับเป็นทุกข์บางที่ใคยถือว่าทุกข์กับเป็นสุขมันเคยประสบพบมาในตัวของตัวเองนี่คือใจที่รุนที่หลงใจที่ไม่แน่นอนใจที่ไมนื่อเห็นอาจทำเด่นชัดเป็นอย่างนั้น หาใจที่ดูเห็นอัดทำเด่นชัดไม่เป็นอย่างนั้นหรืออย่างไรเข้าใจอย่างไรแล้วไม่มีการหลงการลืมไปอีกจะเข้าใจประจักษ์อยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมทางเดียวเท่านั้นคือจะทําให้พวกเราท่านพ้นจากทุกคือทุกข้องใจเมื่อใจเพ้นทุกข์กายมันก็ ส่นไปด้วยส่งอย่างไรเพราะมันไม่เป็นมันไปหมายไม่ไปยึดไปถือกันต่างอันต่างบริสุทธิต่างอันต่างอยู่มันจะมีโรคไข่ไข้เจ็บเหนืย่ยเหนือหน่อยเหนื่อยหิวมันก็เป็นเรื่องของขันของกายใจใจที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรท่านเข้าใจในตัวของท่านมีความบริสุทธิ์ สู่ๆพอเพื stay stay ่อปฏิบัติจะได้จะเห็นภายในตัวเรื่องของโลกที่เราลืมหลงบ่นกันว่าทุกข์วายยากว่าลำบากลาคาญอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะจิตใจของเราชอบจิตใจของเรายินดีเบื้งต้นแต่มันเบื่อมันหน่ายขุนคือมันเกิดขึ้นที่เราไปทําไปคิดไปพูดต่างๆมันไม่ใช่ความสมหวัง ไม่มีอะไรที่จะสมหวังโลกอันนี้นี่จะ่ผิดหวังเรื่อยไปไม่เหมือนเดืองปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงที่สุดยึดยึงจังไม่มีการผิดห ว, วังทั้งตายทั้งยังไม่ผิดหวังทั้งนั้นเพราะความสมหวังความสามบูรความพอดีมันมีอยู่ ในจิตในใจของเราแต่เราไม่พบไม่เห็นเพราะอำนาจของสิ่งอื่นปกคุมงหุ่มหัอยู่สิ่งที่ห่นหัวท่านเรียกว่าเิริยะว่าตันหาสิ่ปทิบัตรต้องําระสิ่งที่หุ่นหออกเหมือนมะพร้าวทั้งลูกเขาเกลี่กมะพร้าวเอาปลือกออกเขาเรี่มะพร้าวเอากะลาออกเขาเกลี่ยมะพร้าวเหมือนกัน เี้เรื่องใจต่วทำนองเดียวกันมันหลายชั้นยื่นตัญหาจะต้องเพราว่าเมื่อถึงที่สุดของมันเอากระล า, าออกเอาเปลือกออกหมดแล้วเมืาท้าหรูนั้นจะไปปลูกไปเพาะให้มันเกิดมันเกิดไม่ได้นะแต่ทําลายมาแล้วหนึ่จิตใจอของพวกเราท่านกับทำนองเดียวกันอย่าไปทำลายยื่นตัญหาแต่อยากบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ไม่ได้ พราะมันยังมีเชื้อมียางเของมันพืดพันธ์ต่างๆเหมือนกันถ้าเราตุ๋นเราเผามันปูกแล้วมันไปปลูกที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันในห้องจิตใจของพระอรหันตอรหันต์ท่านที่หมดกิเลสท่านก็ทราบคือมันคิดมันฟุ้งมันหลุมมันหลงเพาเหตอะไรเพราใจยังนม่เห็น้องจริงเพราใจยังไม่บริสุทธิ์ ละเอียดขนาดไหนก็รู้ว่าละเอียดแต่ทํามที่จะรับรองตัวเองว่าบริสุธิ์แล้วอย่างนี้บริสุทธิ์แล้วมันจะงไม่รับรองเมื่อมันจะงไม่รับรองก็ต้องผู้พิจารณาไปมันยังสัมผัสยังติดข้องกับอารมอะไรพิจนารณาเรื่องหล น, นั้นเรื่อยไป จ, จนผลที่สุดมันปรากดขึ้นทำบริสุทธิเนี่ยมัน ปรากฏขึ้นแล้วสิที่เราพิจารณามาว่าละเอียดนั่นก็ทางอย่างมักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นทางสติปัญญาเป็นทางไม่จําเป็นในความบริสุทธิ์ว่าจะเป็นคติว่าเป็นปัญญาก็าถึงความบริสุทธิ์แล้วสติก็ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่ใช่ อะไรไม่ถูกทั้งนั้นแต่รู้จะเข้าใจเฉพาะเรื่องของตัวเองว่าสมมุติถั่วไปธาตุขันคืสมมุติกันสังขารคือคิดตึงเป็นอย่างไรเป็นขุดวัสุดหรือเป็นธาตุเป็นขันมันจะทราบได้ขุดวันสุดนั้นถ้าหาวมันยังไม่เกียเก่ยวข้องเกี่ยวพนอยู่กับเรื่องสมมุติ ยังมีสงสัยลังเลใจก็ยังไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแจะไปจากว่าอะไรทั้งหมดไม่ใช่ทางนั้นในใช่คืออะไรคือความบริสุทธิ์เข้าใจถนัดชัดเจนอย่างนั้นถต่มันเห็นอย่างนั้นมันก็าหายสงสัยว่าการละการบําเพ็ญจะทําอะไรอีกมันหมดปัญหาถ้าเกดจบ สมอาจารย์กิจอื่นที่จะทํายิ่งกว่านี้ไม่มีมันไม่มีในการละการบําเพ็ญของท่านมีการปฏิบัติมันถึงขั้นสุขขั้นสงบขั้นประเสริฐวิเศษขนาดนั้นแต่สุขสงบที่ว่าไม่ใช่สุขสงบของเวทนาที่กล่าวว่าสุขทุกข์เฉย มันเนี่ยอยู่ในขอบเขตของการเรียนาเพราะขอบเขตของเรีนนาเราเคยฝึกเคยประสบมาอยู่ไอ้ความสงบอันนั้นนั่นผิดฉันฝึกพลังสึกขังไม่ใช่ฝึกแบบเวทนาเป็นฝึกแบบไหนก็เคอฝึกแบบเรื่นมุดฝึกแบบสงบไม่มีการมีเวลาฝึกไม่อยู่ในวงของสมมุติไม่อยู่ในวงของโลกเพือที่จะเพื่อปฏิบัติใจเห็นจะเป็นภายในตัว ไม่ใช่ฟังคนอื่นแล้วจะเข้าใจมันเข้าใจในตัวถ้าบอกพื่อปฏิบัติถึงที่ทำจริงจรัสที่ติโกเห็นเองปจัจจตังรู้เฉพาะจงลงมือตั้งหน้าเพื่อปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติเท่านั้นจะทําให้ตัวของตัวถึงที่อสุดยมุดได้ถ้าไปนอนใจตายใจเป็นพระเป็นเมน <c oughs> แต่เทศ แต่จิตใจยังสายแสเอหิ้หันอยู่วัดตั้งแต่กายใจยังเถ่นผ่านคิดอ่านแบบทะเลาว่ามันก็ใช้ไม่ได้ต้องรักษาการชำระของการชำระความชั่วรักษากายรักษาวาจาพอรักษาง่ายแต่รักษาใจรักษาใจหากขาดสติจะก็ไม่เลื้อยสาย เพราะท่านพี่รักษาได้บริสุทธิ์ได้ก็เคยเป็นผุ้ที่ชนคนหนามาเหมือนกันกับพวกเราไม่ใช่ท่านบริสุทธิ์มาตั้งแต่ข้อท่านก็สมรูถึงห่วงห่อเคยชี่เลตัญหาระวังกายวาจาใจคงตนมีสติรักษามีปัญญาแนะสอนตัวของตัวสม่ำเสมอไปึกปฏิบัติ ตัวพคงตัวในทางที่ดีมันนจ็งดีได้จึงจะเกิดได้หาไปนอนใจว่าเราเป็นพระเป็นเนนแล้วก็มรรคผลจะเกิดขึ้นเองทงทรมองนั้นไม่มีทางตรงหมั่นที่นี้พิจารณากำหนดรักษาจิตใจอ่ะเป็นตัวเสียดจังไายสำคัญ คือการทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายคิดตึงต่างๆอารมณ์อดีตผ่านมาไม่จราบว่าี่ปีกีเดือนมันจับมาคว้ามาอนาคตจะหมาถึงก็ขาดหมายไปปัจจุบันเรายังมีไหลไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันคิดมันติดในเรื่องของธรรมหรืในเรื่องของโลก ตัวตาพิจายนามันเป็นทางสําระหรือเป็นทางหามาเตัวเองยุ่งเหยิงเป็นทางมรรคหรือเป็นทางสมุทัยตัวตาพิจายนาทายนาอยู่เรื่อยใจจะมีทางเข้าใจตัวเองตัวรักษาง่ายเมื่อเห็นว่ามันไปในทางผิด ก็แกะไขมันมันไปในทางที่ถูกก็พยายามรักษาบำรุงมันให้มันไปในทางที่ดีสม่ำเสมอไปใจดีใจเย็นเย็น ใ, ใจสงบคือพระผูกไปเสดตาเห็นกบไามา่หลงในรูปเงื้อดียดยิ้ามกบหลงในเสียงทั้งๆที่คนอื่นสัดอื่นเขาหลง โมีท่านไม่หลงเพราะท่านมีสติท่านมีปัญญาท่านมีธรรมะพยายามแน่สอนตัวฝึกตัวคนที่ฝึกตัวท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติคนที่ขาสดสติสขาดปัญญาไม่มีทางที่จะถึงวิชาลิมุตได้ นี่จะจเจิมลึกเลื่อยไปเพราะเชื่อที่เหลือตำหนักเป็นสาสะดานำใจเชื่อไปเทไรก็ถูกหลอกถูกเลืยงไปแ่านั้นถูกต้มถูกต้มไปแถานั้นจิตใจอย่างนี้อะไรก็จะเป็นเพื่องรักษานอกจากสติปัญญาของตัวเองคนอื่นทางการรักษาของท่าน มันเป็นีดข่ายจะมารักษาไงเราะังนั้นเรารักเราเราต้องรักษาตัวอย่าให้ความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆมาเกี่ยวข้องายใจทั้งตนอารมณ์สัญญาผีดเคยจนทางสุกสับ ต, ต, ตูต่างๆผักดันมันออกไปอย่าให้มันมา จึงในจิตในใจพยายามสอนใจแหกไข่ทำที่เจอนะหาความจริงของมันความจริงนั้นจะเกิดซึ่ง